คือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายในเวลาเจปีหรือหปีหรือห้าปีหรือสี่ปีหรือสามปีหรือสองปีหรือหนึ่งปีหรือเจดเดือนหรือหกเดือนหรือห้าเดือนหรือสี่เดือนหรือสามเดือนหรือสองเดือนหรือหนึ่งเดือน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 โดยเชื่อไว้ก่อนว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ด้วยตนเองถ้าแม้ความเชื่อของฉันผิดพลาดยังมากก็เสียเวลาเจ็ดปีในชีวิตแต่ถ้าความเชื่อของฉันถูกแปลว่าฉันกำลังจะเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตมนุษย์คุ้มที่สุดในโลกนั่นคือใช้ชีวิตเพื่อลืมตาตื่นขึ้นรู้ความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองยังไม่เคยมีอะไรเทียบ